จะรายงานขั้นสาธารณชนผู้มีศรัทธามีความเลื่อมใสในพระพุทธธรรมพระสงฆ์วันนี้เป็นวันเสาร์ที่หกมกราคมพุทธศั ก, การาช 2,550 เป็นอาทิตย์แรกของปีใหม่เป็นวลาที่ดี ที่เราจะได้มาเริ่มต้นกันใหม่ทำสิ่งที่ใหม่ๆที่ดีที่เราไม่เคยทำเพราะเราเคยทำสิ่งสางสงมาหลายอย่างด้วยกันชีวิตจิตใจของเราก็ <c oughs> ここยังไม่ได้ไปถึงจุดที่เราต้องการจะไปกันคือไปสู่ทาง อิ่งความพอความพ้นจากความทุกข์ทารุณหมายใจทั้งหลายนี่คือจุดที่เราอยางไปไม่ถึงกันและเราสามารถไปกันได้แต่เราต้องเป็นผู้ <c oughs> เปลี่ยนพฤติกรรมเปลี่ยนการกระทาของเราที่เราเคยทำมาในอดีตเพราะการกระทำของเราเป็นเหตุ ที่จะนำมาซึ่งผลที่เราปรารถนากันเหตุที่เรายังไม่ได้พบกับผลที่เราปรารถนากันก็เพราะเหตุนั้นไม่ถูกถ้าเป็นการเดินทางก็เดินผิดทางแทนที่จะขึ้นเหนือกับไปทางใต้ถ้าอย่างนี้ก็ไปไม่ถึงจุดหมายปลายทางต้องไปตามทาง ที่จะพาไปสู่จุดหมายปลายทางที่เราต้องการจะไปกันดังนั้นเราจึงต้องมาทําใหม่เดินทางกันใหม่เปลี่ยนวิธีการดำเนินชีวิตของเราใหม่วิธีที่มันไม่ดีเราก็กําจัดมันไปตัดมันไปวิธีที่ดี เราก็ทำให้มันดีมากยิ่งขึ้นไปเพราะการที่เราจะไปถึงจุดความอิ่มความพอความสุขที่ไม่มีความทุกข์เกื่ย ค, คนอยู่เลย <c oughs> เราต้องทำ <c oughs> ทั้งความดีและละความชั่วละบาปละกรรมและต้องกาจัดความโลภความโกรธความหลงที่มีอยู่ในใจของเรา ให้หมดสิ้นไปนี่คือภารกิจของพวกเราถ้าเราปรารถนาความสุขความเจริญที่แท้จริงเราต้องพยายามทำทั้งสามประการนี้คือทำแต่ความดีละบาปกรรมกำจัดความโลกความโกรธความหลง <c oughs> ให้หมดไปจากจิตจากใจ ที่นี้การที่เราจะสามารถทำในสิ่งเหล่านี้ได้เราก็ต้องมีเครื่องไม้เครื่องมือเราจะต้องมีสิ่งที่จะช่วยเหลือเราให้เราได้สามารถทำในสิ่งที่ดีที่งามได้สิ่งนี้สิ่งนั้นพระพุทธเจ้าก็ทรงมอบไว้ให้กับเราเป็นเครื่องมือ มีอยู่สี่ประการด้วยกันคือหนึ่งฉันทะความยินดี 2. วิริยะความภาคเพียรสาสิตตะความตั้งมั่นความโจทย์จอดและส่วิมังสาการค่ายควรด้วยเหตุด้วยผลนี่คือเครื่องม้เครื่องมือที่จะช่วยให้เราได้สามารถ ทำในสิ่งที่ดีที่งามทั้งหลายละการกระทันหานทั้งหลายละก า, ก า, า, กาะจัดความโลภความโกรธความหลงทั้งหลายให้หมดสิ้นไปได้<ม>ดังนั้นหน้าที่ของเราในเบื้องต้นก็นกคือต้องสร้างเครื่องมือนี้ขึ้นมาให้ได้เมื่อเราไีเครื่องมือแล้วสิ่งที่เราต้องการจะทำก็ง่ายได้เหมือกับเวลาที่เราต้องเปลี่ยนงางรถ เวลายางแตกถ้าเราไม่มีเครื่องม้เครืองมเลยเราจะไม่สามารถเปลี่ยนยางได้ถ้ามีมือเปล่าๆอย่างเดียวคงจะทำคงจะเปลี่ยนยางถอดล้อออกมายกรถให้ลอยขึ้นแล้วถอดล้อออกมาเพื่อเปลี่ยนยางใหม่คงจะทำไม่ได้ต้องมีเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆอย่างไรการที่เราจะยกจิาา White ตของเราให้ อยู่เหนือความทุกข์ทั้งหลายให้จิตของเรามีแต่ความอิ่มมีแต่ความพอมีแต่ความสุขตลอดเวลาก็เช่นเดียวกันเราต้องมีเครื่อ ง, ง้ายเครื่องมือในการกระทําสิ่งเหล่านี้ดังนั้นในเบื้องต้นพระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราสร้างชันทะคือความยินดีให้เกิดขึ้นฉันทะควา ม, มินดีในการกระทําความดีทั้งหลาย ในการละบาปทั้งหลายในการกำจัดความโรภความโกรธความหลงทั้งหลายความยินดีเกิดขึ้นได้อย่างไรถ้าเราลองสังเกตดูเวลาที่เรายินดีกับสิ่งหนึ่งสิ่งใดมันเกิดขึ้นเพราะอะไรก็เพราะว่าเรารู้ว่ามันดีของบางอย่างเราไม่รู้ว่ามันดีแต่พอเราได้รับความรู้จากผู้อื่น เชนพ่อแม่สอนเราว่าสิ่งนั้นดีนะสิ่งนี้ดีนะเวลาพ่อแม่ให้เงินทองกับเราพ่อแม่ก็บอกว่าเงินทองนี่ดีนะลูกเก็กก็ใช้ได้เมื่อเราลองเอามาใช้ดูเราก็ได้ประโยชน์ได้สิ่งต่างๆที่เราต้องการเราก็เห็นคุณค่าของเงินทองว่าเป็นสิ่งที่ดีเราก็มีศรัทาคือความยินดีที่จะหาเงินหาทองมา เก็บไว้เอามาใช้ดังนั้ น, นการกระทําทานดีการละบาป ก, การกําจัดคามโลกความโกรธความหลง<ด>ก็เป็นเหมือนเงินทองเหมือนกันแต่เป็นเงินทองภายในใจหรือวา่าทรัพภายในซึ่งมีคุณค่ายิ่งกว่าทรัพย์ภายนอกทรัพย์ภายนอกต่ อ, อให้เรามีมากน้อยเพียงไรก็ยังไม่สามารถกําจัดความทุกข์ใจของเราได้ พแต่ช่วยให้เราอยู่อย่างสุขอย่างสบายในทางปัจจัยสิ่มีบ้านอยู่มีอาหารรับประทานมีย า, ารักษาโรคมีเสื้อผ้าใส่อยากจะไปไหนก็ไปได้อยากจะทำอะไรก็ทำได้อยากจะซื้ออะไรก็ซื้อได้แต่สิ่งเดียวที่รับภายนอกทำไม่ได้ก็คือกำจัดความทุกข์ความวุ่นวายใจมีแต่ทรับภายในเท่านั้น ที่จะสามารถกําจัดได้ดังนั้นทรัพย์ภายในจึงมีคุณค่ายิ่งกว่าทรัพย์ภายนอกเป็น้านเท่าเลยทีเดียวเพราะทรัพย์ภายในนี้จะติดกับใจไปตลอดแจะเป็นทรัพที่ไม่มีใครสามารถมาคลาจากเราไปได้ไม่เหมือนทรัพย์ภายนอกมีอยู่แล้วก็หมดไปได้ ตายไปก็ต้องจากกันเอาติดตัวไปไม่ได้ต้องทิ้งให้คนอื่นไว้แต่ซัดภายในนี่จะติดกับใจเราไปตลอดไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนจะตายหรือจะเป็นก็จะอยู่กับใจจะดูแลรักษาใจไม่ให้ลุกไม่ให้วุ่นวายไม่ให้เศร้าโศเสียใจไม่ให้ตัวไม่ให้กังวลนี่เป็น ความสามารถของชาติภายในะถ้าเราหมั่นศึกษาด้วยการฟังเทศฟังธรรมอยู่เรื่อยๆเข้าหาพาระสุปฏิปโนพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบพระผู้ที่ได้ทำความดีได้รบับมาได้กําจัดความโลภความโกรธความหลงจนหมดสึ้นไปแล้วถ้าเราได้ยินได้ฟังจากท่านอยู่เรื่อยๆเราก็จะเห็นคุณค่าของชาติภายใน ยิ่งกว่าชัติภายนอกเมื่อเราเห็นคุณค่าแล้วเราก็จะมีฉันทะมีความยินดีที่จะสะสมชาตภายในขึ้นมาด้วยการปฏิบัตินี่คือจุดเริ่มต้นแรวย่องต้นเราต้องสร้างความยินดีให้เกิดขึ้นด้วยการได้ยินได้ฟังจากผู้รู้ผู้ที่เห็นคุณค่าของชาตภายใน เมื่อเราได้ยินได้ฟังอยู่บ่อยๆเหมือนกับที่พ่อแม่สอนเราเรื่องคุณค่าของชรัพยานอกแล้วเราก็ลองเอามาปฏิบัติดูเมื่อเราปฏิบัติดูแล้วเราจะเริ่มเห็นเราจะเห็นผลปรากฏขึ้นมาในใจเวลาเราทําความดีเรามีความสุขมีความอิ่มเอิใจเวลาละเราต่อสู้ชนะการกระทำบาปได้เราก็มีความภูมิใจ มีความปลอดภัยมีความสบายใจเวลาที่เร า, ากําจัดความโลภความโกรธความหลงได้จิตใจเราก็จะสงบเงย็นสบายไม่วุ่นวายต่างกับเวลาที่เรามีความโลภความโกรธความหลงใจของเราจะร้อนเป็นนเป็ไฟอยากจะได้อะไรนี้นั่งไม่ติดเลยต้องวิ่งต้องเส้นต้องหามาให้ได้เวลาโกรธก็เช่นเดียวกันต้อง ต้องแสดงลทธิ์ของความขวนออกไปให้ได้เวลาหลงก็ห ง, งายถ้าไม่รู้จักจักอะไรจักผิดจักถูกจักดีจักชั่วเช่นคนหลงติดยาเสพสิดหลงเล่นการพนันหลงเที่ยวกลางคืนคน่วกนี้หลงเสพตัวายาเมานี่ก็เป็นอย่างนั้นทำให้ติดแบบหัวชนฝาไปเลย ไม่ดูเดือนไม่ดูดาวไม่ดูเหตุไม่ดูผลถ้าตนเองหลงตนเองชอบแล้วต้องถือว่าดีทั้งๆ ท, ที่มันจะทำลายชีวิตของเราให้สั้นลงให้แย่ลงไปก็บอกไม่เห็นนี่คือความหลงมันเป็นอย่างนี้แต่เมื่อเรากำจัดได้เราจะพบกับความสุขความสบายเราต่อสู้กับความหลงนี้ดูถ้ายังติดจุรรยามเมาอยู่เราเริมดู ถ้ายังติดเที่ยวกันคืออยู่ลองเลิกเที่ยวดูถ้ายังติดการเล่นการพนันอยู่ก็ลองเลิกเล่นดูแ ล, ล้วดูซิว่าผล ม, มันจะเป็นอย่างไรคนที่เขาไม่ติดเขาสบายกับเราซะเยอะแยะเรากลับมองไม่เห็นเพราะความหลงมันติดตาเราปิดใจเราไม่ให้มองเห็นคุณเห็นประโยชน์ไม่ให้เห็นโทษของการเล่นการพ น, นันของอบายลยุกธ์ต่าง นี่คือสิ่งที่เราควรจะศึกษาแล้วลองปฏิบัติอยู่เมื่อได้เราได้ปฏิบัติแล้วเริ่มเห็นผลเราก็จะมีวิรยิยะคือคุณธรรมข่้ที่สองคือความขยันหนมนั่นเพียรเพราะเมื่อรู้แล้วว่าทำแล้วได้ประโยชน์อย่างไรคนเราก็ไม่ต้องมาบังคับกันแล้วยัมีเกิดความพยัน เหมือนกับเราทํางานแล้วได้เงินได้ทองมาเป็นเกอบเป็นกำไม่ต้องมีใครมาบังคับให้เราไปทํางานเราจะตื่นแต่เท้าทํางานตลอดเจ็วันเลยเพราะทําแล้วได้เงินได้ทองมีกําลังจิตกําลังใจมีความขยันหนักเพียรขึ้นมาความขระยันหนักเพียรนี้ต้องพยายามรักษาไว้ให้ได้ต้องทําไป <c oughs> จนกว่างานที่เรา ต้องการจะทำนั้นสำเร็จรร่มไปนี่คือคุณธรรมขั้นที่สองลำดับที่สองคือวิทยาความท่าเพียนจะเกิดขึ้นตามมาแล้วเมื่อเราปฏิบัติแล้วจิตใจของเราก็จะมีการจดจ่อคือนี่คือคุณธรรมขั้นที่สามต่ไม่อยากจะไปทำอย่างอื่นอยากจะทำแต่ทางดีอยากจะละบา อยากจะกรจัดทวามโลกความโกรธความหลงเหมือนกับคนที่ทำมาหากินหาเงินหาทองร่ารวยเขาก็ไม่อยากจะทำอย่างอื่นอยากจะทำงานทาการหาเงินหาทองให้รวยยิงย่งขึ้นไปหรือคนที่มีอำนาจแล้วก็จะไม่อยากจะทำอะไรก็อยากจะทำรักทให้มีอำนาจมากเพิ่มขึ้นไปรักษาอำนาจที่ตนเองมีอยู่ไม่ให้หลุดลอยไป เรียกว่าจดจอ่อเรียกว่ามีตาใจมีความจดจอ่อมีความแน่วแน่มีความตั้งมั่นกับการกระทําในสิ่งที่ตนเองปรารถนาและประการสุดท้ายก็จะใช้วิมังสาคือใช่เหตุใช่ผลใขว้ควรว่าทําอย่างไรถึงจะรวยมากกว่าเดิมทําอย่างไรถึงจะมีอํานาจมากกว่าเดิมทําอย่างไรถึงจะมีทรั ภายในมากกว่าเดิมที่จะเป็นสิ่งที่ตามมาต่อไปถ้าเรามีคุณธรรมทั้งสิ่งประการนี้แล้วรับรองได้ว่าไม่ว่าเราจะทําอะไรจะทําในทางโลกก็ดีเช่นแสวงหาทรัพยภายนอกแสวงหาอํานาจวาสนาบารานีหรือแสวงหาทรัพย์ภายในก็จะไม่อยู่สุดเหนือวิสัยของของเราไปได้ ถ้าเรามีคุณธรรมทั้งสี่ประการคือฉันทะความยินดีวิริยะความภาคเพียรจิตตะความจดจอ่อและวิมังสาการไข้ควรด้วยปัญญาด้วยเหตุด้วยผลไม่ว่าเราจะทำอะไรเราจรึงควรมีสติเราเล่ดรู้อยู่เสมอว่าเรากำลังทำอะไรอยู่เรากำลังดำเนินไปตามทางที่เราต้องการจะไปไหรือเปล่า เราทำความดีหรือไม่เราละบาปหรือไม่ละอบายนุกต่างๆหรือไม่เรากำจัดความโลภความโกรธความหลงเราของเราอยู่หรือไม่นี่คือสิ่งที่เราควรจะถามเราเสมอทุกครั้งที่เราจะทำอะไรจะพูดอะไรจะคิดอะไรเช่นคิดจะไปเที่ยวเราก็ต้องถามตัวเองก่อนว่าไปเที่ยวนี้มันมันดีไหมมันเกิดคุณเกิดประโยชน์หรือไม่ ถ้ามันไม่เกิดคุณเกิดประโยชน์ก็เลิกไปไปเล่นการชันนันมันดีหรือไม่มันไม่ดีมีแต่ผลเสียก็เลิกไปต่ไปยิงนกตกปลาไปโกหกหลอกลวงผู้อื่นอย่างนี้มันเป็นบาปหรือไม่ถ้าเป็นบาปก็ต้องละเสียอยากจะได้สิ่งต่างๆที่ไม่จาเป็นเช่นมีบ้านอยู่หลังแล้วก็ยังอยากจะได้หลงอยากจะได้สงหลัง มีเราอยู่คั น, นแล้วก็ยังอยากจะได้อีกคันสองคันมีภรรยามีสามีแล้วก็ยังอยากจะได้เพิ่มขึ้นหนอยอีกอย่างนี้มันดีหรือไม่มันมีความจำเป็นหรือไม่มันสร้างความสุขให้มากขึ้นหรือจะสร้างปัญหาสร้างความทุกข์ให้มากขึ้นเราต้องใช้ปัญญาแยกแยะใช้เหตุใช่ผลอย่าทาอะไรตามอารมณ์ของเราเพราะถ้าตามตามอารมณ์แล้วมันไม่มีที่สึ่งสุด เพราะอารมณ์ก็คือความอยากนั่นเองเห็นอะไรชอบก็อยากได้พอได้มาแล้วก็เบื่อแล้วก็อยากจะได้ใหม่ได้มาใหม่แล้วก็เบื่ออีกก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆ เ, เป็นเหมือนกับไม่มีขอบไม่มีเขตไม่มีฝั่งไม่มีสา ม, มนี่คือความอยากตามอารมณ์แต่ถ้าตามถ้าอยากตามเอกตามผลแล้วมันมีขอ บ, ม, ขอบมีเขตเพราะว่า เราต้องการอะไรเราก็ต้องมีเหตุผลว่ามันจำเป็นไหมพราะถ้ามันจำเป็นเราก็หามาได้เมื่อเราได้มาแล้วครบแล้วเราก็ไม่มีความอยากเช่นเราต้องดูแลรักษาชีวิตของเราต้องมีบ้านอยู่อาศัยพอมีบ้านแล้วก็ไม่จำเป็นจะต้องไปมีอีกหลังมีสองหลังมีเสื้อผ้าพอใส่หรื อ, อยังเต็นตู้หรื อ, อยัง นึืเพียงพอต้องหาหาตู้ใ 2, าสองสามใบอย่างนี้มันก็เกินเหตุเกินผลร่ <Yeah. S 1> างกายมีอยู่ร่างเดียวใส่เสื้อผ้าก็ใส่ได้เพีชุดเท่านั้นเองลองเปิดตู้ดูสิว่าเสื้อผ้าที่ไม่ได้ใส่มาตั้งหกเดือนตั้งปีแล้วมีอยู่หรือไม่ถ้ามีก็เอาไปแจกไปจายผู้อื่นดีกว่าอย่ากเก็บไว้ให้มันเก็บกระงบ้างกช่องไม่เกิดประโยชน์อะไรเอาไปทําบุญทาทาน ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์เขาตกทุกข์ได้ยากไม่มีเสื้อผ้าใสอย่างนี้จะเกิดคุณเกิดประโยชน์ทำให้เรามีความสุขผู้ที่ได้รับเสื้อผ้าจากเราเขาก็มีความสุขนี่เป็นสิ่งที่เราสามารถทำกันได้ถ้าเราใช้สิใช้ปัญญายกันสักหน่อยอย่าไปเสียดายเจ้าของเงินทองต่างๆพิจารณาการตายบาว่าเกิดมาแล้วไม่ช้าก็เร็วก็ต้องตายจากโลกนี้ไป และจะตายไปเมื่อไหร่ก็ไม่มีใครรู้ไม่มีใครรับประกันว่าจะตายตอนอายุเก้าสิบอาจจะตายตอนอายุสิบห้ายี่สิบสามสิบก็ได้ไม่มีใครรู้ดังนั้นอย่าประมาณควรเลียขุนขวาล่ายซากความดีงามทั้งหลายที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนให้กระทํากันเถิดเพราะมันจะเป็นรับภายในเราเรียนมาแปลงรัย์ภายนอกให้มาเป็นรับภายใน เมื่อหลิศตายไงแล้วก็จะติดตัวกับเราไปไปอยู่ที่ไหนก็จะสุขจะสบายไม่อดยา ก, กขาดแคลนอย่างที่พวกเราทั้งหลายมาเกิดในโลกนี้ในชาตินี้แล้วอยู่กันอย่างสุขอย่างสบายมีมีข้าวของใช้อย่างพอเพียงก็เพราะในอดีตเราได้สะสมไว้นั่นเองเราได้ทำบุญทำทานอย่างสมงเสมอ ทา น, นี้จึงส่งให้เราได้อยู่ดีกินดีแล้วก็ส่งให้เรามาทำบุญต่ออีกบุญที่เราเคยทำไว้มันติดเป็นนิสัยมาทำให้เราชอบทำบุญอยากจะทำบุญแต่คนที่ไม่ชอบทำบุญไม่อยากทำบุญว่าเป็นเพราะว่าเขาไม่เคยทามาก่อนในอดีตนั่นเองมันไม่ติดมาเป็นนิสัยของเขาถ้าเขาจะทำก็เฉพาะเวลาจำเป็น เช่นเพื่อนฝูงจัดงานทำบุญชวนมาเขาก็มามีงานบวชก็มามีงานมันเกิดมีนนดมนุษย์ไปสวดที่บ้านเขาก็ไปแต่ไม่ได้ไปเพราะมีนิสัยติดอยู่กับใจไปเพราะสังคมเรียกร้องให้ไปกันนั่นเองแต่คนที่ได้ทำบุญทำทางมาแล้วจะติดเป็นนิสัยแล้วจะได้รับอานิสมจากทางกรรม จึงควรที่จะจะสมนิสัยการทำบุญ ใ, ใ, ใ, ใ, ให้มีมากยิ่งขึ้นไปถ้าปีหนึ่งมาวัดเสียงแค่สองสามครั้งก็เพิ่มให้ขึ้นเป็นทั้งยีง่สิบสามสิบครั้งบางคนเขามาปีละห้าสิบกว่าครั้งคืออาทิตย์ละหนึ่งครั้งเขาถือว่าเป็นหน้าที่ของเขาเพราะว่าเขาทำแล้วเขาได้รับประโยชน์ได้ทั้งความสุขในปัจจุบัน และได้อริยทรัพ์ที่จะติดไปกับเขาต่อไปเวลาที่เขาตายไปแล้วเมื่อเขาทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆเขาก็จะพัฒนาไปเรื่อยๆชาตินี้อาจจะทำบุญปีละห้าสิบสองครั้งชาติต่อไปอาจจะทำบุญปีละ365ร้อยหกสิบห้าครั้งเช่นใส่บาตรทุกวันก็ได้นี่เป็นสิ่งที่เราอยากพัฒนากันขึ้นไปและจะกลายเป็นพระเวทสันนิยนไปในที่สุด มีอะไรก็ไม่อยากจะเก็บไว้ถ้าอยากจะได้อะไรก็ยินดีที่จะให้เพราะตอนเองมีอยู่พอเพียงแล้วเมื่อทําบุญทําทานได้ระดับพระเวชันยอนแล้วพระพุทธภูมิคือการได้ไปเกิดเป็นพระพุทธเจ้าในภพชาติต่ อ, อไปก็จะไม่ยากเยินอะไรเลยเพราะทุกสิ่งทุกอย่างก็เกิดขึ้นจากการบำเพ็ญบุญบรารมีละบาป กำจัดความโลกความกรธคามหลงในแต่ละภพในแต่ละชาติที่เราได้มาเกิดนั่นเองและการบำเพ็ญบุญเหล่านี้จะเป็นเหตุให้เราได้มาเกิดเป็นมนุษย์ได้เกิดเป็นเทพได้เกิดเป็นคงอยู่เรื่อยๆโอกาสที่จะไปเกิดเป็นเดรัจฉานโอกาสที่จะไปตกทารกนั้นก็มีน้อยมากยกเว้นบาปกรรมเก่าที่เคยทำไว้ แล้วยังไม่ได้แสดงผลยังไม่ส่งผลก็อาจจะส่งให้เราไปเกิดเป็นเดรัจฉานบ้างไปตกนรกบ้างแต่ถ้าทุกครั้งที่เราได้มาเกิดเป็นมนุษย์แล้วเรามาบังเทงตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนมาทำแต่ความดีละการกระทำบาปกำจัดความโลภความโกรกความหล ง, งให้หมดไปจากจิตจากใจถ้าเราทำอย่างนี้แล้ว ชีวิตของเราจะพัฒนาันเรื่อยๆภพชาติของเราจะสูงขึ้นไปเรื่อยๆความทุกข์จะน้อยลงไปเรื่อยๆจนในที่สุดก็จะหมดขึ้นไปเมื่อจิตใจของเราได้รับการพัฒนาได้รับการชำระจนสะอาดโดยสุดกลายเป็นจิตของพระอรหันต์ไปเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วภพชาติคือการเวียนว่ายตายเกิดก็ไม่มีอีกต่อไปเมื่อไม่มีภพไม่มีชาติ ความทุกข์ที่เกิดจากความแก่ความเจ็บความตายความพัาดพาดจากกันก็จะไม่มีตามมาเพราะสิ่งเหล่านี้มาก็มีความมีการเกิด น, นั่นเองเมื่อเกิดแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องพัาดพาดจากกันแต่ถ้าไม่เกิดก็ไม่มีสิ่งเหล่านี้ตามมาทุกข์จึงไม่เกิดกับผู้ที่ไม่เกิดถ้าาบใดยังเกิดอยู่ จากนั้นก็ยังจะต้องเจอกับความทุกข์นัผู้ใดถ้ายังมีความโลภความโกรธความหลงอยู่ผู้นั้นก็ยังต้องเกิดอยู่เพราะเป็นเหตุของของของของความเกิดนั่นเองผู้ที่จะเกิดเพราะมีความโลภความโกรธความหลงผู้ที่ไม่เกิดเพราะได้กำจัดความโลภความโกรธความหลงให้หมดไปแล้ว นี่จึงเป็นเหตุที่พวกเราจึงต้องมาทําความดีมาละบาปมากําจัดความโลภความโกรธความหลงกันเพราะถ้าเราไม่ทําแล้วต่อให้เรามั่งมีขนาดไหนก็ตามต่อให้เรามีฐานะสูงขนาดไหนจะเป็นกษัตริย์เป็นกุฎนาทิปดีเป็นปนาย ก, เ ป, กเป็นมัตสมุมนตรีเป็นเศรษฐีก็ยังไม่พ้นจากความทุกข์คามเศ้าโศ ความกังวลความหวาดกลัวเพราะสิ่งต่างๆที่เรามีอยู่คือชั้นแข็งนอกนี้ไม่สามารถดูแลกําจัดความวุ่นวายความทุกข์ใจเหล่านี้ได้เองเราต้องสร้างทัาษะภายในให้เกิดขึ้นมาด้วยศรัทธาความเชื่อเชื่อในสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนเชื่อในสิ่งที่พระอริยสงฆ์สาวกเป็น สั่งสอนว่าเป็นสวาหาโตพระวจาะธรมโมเจอเป็นธรรมที่ตัดไว้ชอบแล้วเป็นเป็นธรรมที่ถูกตามหลักความเป็นจริงทำดีได้ดีทำเชื่อได้เชื่อการจัดริเลสความโลภความโกรธความหลงก็จะหพ้นจากความทุกข์จะได้บรรลุถึงก้าววิพานที่จะไม่ต้องไปเกิดอีกต่อไปนี่เป็นความจริงที่พระพุทธเจ้าและพระอริยสงสาวโก ได้พิสูจน์มาได้มาครอบครองแล้วมีความมั่นใจแน่วแน่ไม่สงสัยจึงได้เอามาถ่ายทอดเอามาเผยแพรให้กับพวกเราที่ยังไม่รู้ยังไม่เห็นกอเราจะได้มีโอกาสได้พบกับสิ่งที่เลิศที่วิเศษที่มนุษย์อย่างพวกเราสามารถที่จะเอื้มได้หยิบยื่นให้กับตัวของเราได้ ขอให้เรามีคุณธรรมทั้งสี่ประการคือฉันทะความยินดีวิริยะความภาพเคียงกิตตะความจดจ่อและวินาการไข่ควรด้วยเหตุด้วยผลเท่านั้นถ้าเรามีทั้งสี่ประการนี้แล้วรับรองได้ว่าสิ่งที่ดีที่นานสิ่งที่มีคุณมีประโยชน์สิ่งที่เราปรารถนากันจะไม่อยู่ ค้นวิสัยของเราไปได้จึงขอให้เราสร้างคุณธรรมั้สตินี้ให้เกิดขึ้นด้วยการมศึกษาได้ยินได้ฟังพระธรรมเทศนาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่เรื่อยๆแล้วความดีก็จะเกิดขึ้นความภาพเพียงก็จะตามมาการจบจอบในการทําความดีก็จะตามมาการใช้เหตุใช่ผลก็จะตามมา แล้วผลก็คือการหลุดพ้นจากความทุกทั้งปวงก็จะเป็นสิ่งที่ตามมาจึงขออาสกให้ท่าได้นําเอาในสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟในวันนี้นําไปพิพจารณาและปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแต่เวลาจึงขอลนุติไว้เพียงเนี้ ขอระผนสมบุญณ์ที่ท่านได้มากระทำกันในวันนี้ย่อเป็นเหตุเป็นตัใจัยให้ท่านมีแต่ความสุขความเจริญด้วยอายุนรักสุขภาระรโดยชั่วหน้าตาเชิญพ <c oughs> ้าตอ น, นทอ่นี้ก็ขอนให้เดินโมชนะให้ก่อนอย่าง้างเก็สนบนสร้งใจปวดง่ามสุขิดสมบูรณ์จากกุศ ญาต่าวาเรวห้าภูร ah ังภาริยุเรนติสักกะรังเอวะเรวาอิจโตินังเอตานังอุปคัปปติอิสิตังปัิตังตุงหักิพเมวะสั e ิจัตสาปเอกรังตสังกะปัสจัมโทปนาราสุยภา Mani chodra soya t pa. นันราสิอนสุขังาังาาจกโกจิยะสวาสาธวาสาธายุจะชีวันิสิทวันทุเตอวะตุสาตานกาลังดเบวต Devadaha sama.